ยังไม่ถึงขั้นครับครับเออหลวงพ่อครับเพื่อให้วิปัสสนาญาณมันแก่ๆเข้าไปหน่อยนี่หลวงพ่อจะแนะนำยังไงให้แก่ๆหน่อยจะให้มันอ่อนก็อยู่นานยังฉันที่โอ้โหญาณแน่ในนี้ก็แก่ไงอ๋อื่อนาญาณแก่ๆก็จะอยู่ให้แก่ๆ๋อแนะนำไงช่านาปานุสติอูนย์สมาธิให้ดีรู้จักทุกขสัต์ จับทุกตัวเดียวก็พอพอรูจากก็รู้จักว่าชีวิตที่ต้องตายครับครับทาศน์สิ่งนี้ครบถ้วนเราลบพระใจสนาคมเห็นโลกทั้งโลกเป็นทุกข์พอแล้วอ๋อเอาเอาย่อๆแค่นี้นะเอานี้ก็ไป็นาูหลานแล้วอ้าวแบบนี้ขนาดย่อๆนะใช่ครับไอที่อธิบายจะตายเป็นก็ไม่ได้สู้ย่อๆล้วก็ไม่ได้นะอ่าพูดถึงเรื่องนี้นึกถึงไอ้ไอ้พวกห้านหนังก็ โที่ติดคุกอ่ะเขาเรียกนักโทษใช่ไหมอ่าใช่อ่ามีนักโทษประเภทหนึ่งที่ที่ที่ถึงอเขาออกมาลอกท่อลอกอะไรเขาเรียกอะไรนะชั้นอะไรนะดีหนึ่งประเภทอะไรก็จาไม่ได้แล้วคืออย่างนี้อ่าน่าจะภูมิใจด้วยว่าหนังสื่อทำมัวิโมกเนี่ยนะเขาลูกพ่อเขาไปติดคุกไอเขาไปอยู่ในคุกครับนักข่าวครับนักข่าวนาวครับเนี่ยไรเล่มครับ หลายหลยอ่เขาขอมาผมไม่น่าเชื่อรู้ว่าจะเป็นไปได้เขาบอกว่าอย่างนี้แค่อ่านธรรมวมีโมกแล้วเขาก็ทําตามนั้นเลยนะใช่ไม่มีครูไม่มีอาจารย์อาศัยหนังสือดอกไม้ตู้เทียนไม่มีเขาบอกว่าผมอยู่นอกคุกนะผมไม่เคยเห็นอะไรเลยด้วยด้วยความเป็นสิทธิ์แต่ว่าอยู่ในคุกนะ่ยดีกว่าอาศัยธรรมวมีโมก ผมก็เลยมานึกในใจนี้ถ้ายกชงไปติคุกอีกคงจะแจมกว่านี้อย่าเลยอย่าเลยครับติดคุกที่บ้านก็พอแล้วโอ้โหเอียนโอ้โหเอียนแค่คุกบ้างอะเอีมมีแล้วครับนี่ก็ต้องขอโมตนานะใครก็ไม่ทราบที่ส่งทำที่บอกเข้าไปในเรือนจานะเป็นประโยชน์อย่างมากเลยเพราะว่าพวกนักโทษต่างไกลพออ่านเขาไม่ทาอะไรพออ่านแล้วก็ทาโอ การการจะฝึกมโนโมยิทธิหรือทำสมาธิเนี่ยมันมันไม่เกี่ยวกับกรฐานจนเกินไปเราะหรือว่าที่นั่นมันเป็นทุกข์อ้เพราว่ากรรมฐานจะได้ต้อรู้จักทุกข์อ๋อถ้าไม่เห็นทุกข์ก็ไม่เห็นกรรมฐานครั บ, รบเห็นทุกข์ก็เห็นกรรมฐานครับครับในบริการที้หนึ่งเขามีระเบียบวินัย<อ>เวลาเขามีใช่ไหมครับครัเป็นเวลาเท่านั้นนอนเวลาเท่านั้นทำงานเวลาตรานี้ อถ้าพวกจะเรีงนารานเขากมีหมดหนึ่งเขาขอไปเรื่อยหนังสือนะไม่ใช่เพราะถ้าพวกอย่างเดียวอ๋อหมายแปลว่าสถานอาจารยนี่ก็ก็มีไปเรื่อยนะใช่ใช่ความจริงถ้าไม่มโมกอย่างเดียวนี่เหลือกินเหลือกินใช่เหลือแน่เชี่ยวไม่หมดเลยใช่ใช่พวกก็เคีไปหมด <c oughs> แต่เขาก็ดีนะขนาดตำมันขึ้นราคาทำให้โมกก็เหมือนเดิมอย่างเงี้ยรวยแน่ใช่ครับไม่ขึ้นราคาก็ดีแล้วอ่ะผ่านไปอะไรเนี่ย อ, อลุงพ่อเจ้าขาลูกเห็นทีว่าอะไรศรัทธาชักจะเตี้ยลงเหมือนเสาระวันเสร็จแล้วครั้งนี้เพราะว่ากำลังใจในด้านการทำความดีของลูกมันเหี่ยวแห้งอย่างไรจะบอกไม่ถูกคือว่าอย่างนี้ทำบุญทำกุศลลูกทำตามแบบฉบับลุงพ่อทุกอย่างศีลรักษาแถมยังมีศีลแปดผสมในวันพระด้วยภาวนาไม่ต้องห่วงเลยลงพ่อครับลูกว่าถียิบเาอยากจะรวยเร็ว แต่อา น, นิจจาสู้คนข้างบ้านไม่ได้เลยมันรวยกว่าลูกมันทําอะไรมันได้ดีไปทุกอย่างลูกทําอะไรแล้วไม่ได้เรื่องเลยลูกจึงอยากจะมาศึกษาหาลือกับหลวงพ่อว่ามีทีเด็ดคําแนะนำอย่างไรจะไปช่วยคนสร้างบ้านได้บ้างหรือเปล่าเจ้าคะยังไงกันมันรวยสู้เขาไม่ได้จ ะ, จะไปจะเอาทีเด็ดจากหลวงพ่อให้รวยสู้เขาให้ได้อออย่างนี้ก็ไม่ได้ไม่ยากกว่านี้ป่ะ หวานอีกหวานเลยหวานเลยมีเปรี้ยวเลยนะเออดูตัวอย่างใครล่ะอนันตวินิจเกษฐีลับเป็นยังไงขลุกครับเขาอยู่กับพระเจ้าใช่ไหมลาศิษฐาเป็นมหาเศรษฐีก็เหมือนกำจีไปเอาขุนเขามาตัดลายบป็นคนยากจนต้องกินข้าวปลายข้าวแต่ว่าอาศัยที่เคารพพระพุทธเจ้าไม่ช้า ก, ก็รวยกามเลย ออ๋เกิจกรรมโ่วคราวนะครับครับอันี้ก็ต้องทํากําลังใจว่าแค่ที่เหตุการณ์เกิดขึ้นนี่มันเป็นวิบากกรรมั่วคราวนะก็งั้นก็ต้องรักษาลมเดิมไว้ก่อ น, นใช่ไหมว่าใช่ใช่ใช่โออย่างนี้ไม่ช้ากับยันว่าจะให้พังขาดขาดอืม <c oughs> แต่ความจริงที่ที่หลวงพ่อบอกว่ากระฐานเฮล้านเนี่ยถ้าหากว่าทาเป็นปกติจิตสบายๆก็พอจะยันตามต้องทำแบบสบายๆปกติที่จิตเย็นเย็น ถ้าค่อยทํานะว่าว่าแบบสบายๆจิตเป็นสุขอยากตอนไหนหรือตแต่ตอสะดวกเก็นเกณฑตอนไหนก็ตัก็ได้ถ้าอย่ากรู้ว่าถ้ากดของกรรมเข้ามาติดรอนยังยังนา่ารู้กันแบบสิทธิใช่ไหมมัก็มีเหมือนกันถ้าต้องต้องต้องเชื่อจำนี้ก่อนนะครัถ้าเป็นนี้หมายความกรรมเ้าสวนข้ามาตัดรอนเลยใช่ไหม แล้วก็ไม่ช้ามันก็จะสลายตัวไปกุศลมาใหม่กุศลใหม่พรเพราะอกุศลต้นไปกุศลมา<ช>พว<ช><ช>บวกกับเงินล้านก็น<ช><ช>โอ้โหเป็นเงินไหลเลยอ่าอย่างนี้ก็สบายใจลูกหลานจะได้หมดห่วงออ่าเพื่อนฝากมาถามหลวงพ่อว่าถ้าจะถวายอาหารกับลูกถ่ายหลวงพ่อ ที่ลูกเช่าไฟจากซอยสายลมเบลเลอร์เทอร์วงเล็บแค่ยี่สิบบาทอยากจะเรียนถามรูปถ่ายหลวงพ่อว่าอาหารมื้อเช้าต้องการอะไรมื้อกลางวันแบบไหนแล้วตอนเย็นไมโลหรือโอวันตินขอให้หลวงพ่อชี้แจงให้ละเอียดจะได้ปฏิบัติ<อ>ใจห <บา S 1> ลวงพ่อตอนเช้าไม่โผง โอ้โหวักลางทองวันทเย็นไอ้เป๊กไอ้เป๊กวันนี้ครบหลักสูตรเลยเหรอใช่อะไรก็ได้นะสรับสลับกไม้ก็ดีง่ายดีอ๋อกเกี่ยวกับผลมะราวราดไม้นี่ที่ที่ล่าลาไม้ไม่เอาเอาแม่ไปฉาบลาาไม้วั้นไม่มีเอียดละอจริงนะ ดีแต่ว่าผลไม้อะไรที่เราอะที่บัดเรบชอบใจแลเราชอบเพราะของที่เราชอบก็แล้วกันนะครับครับครับโอแสดงว่าลูกลูกถ่ายหลวงพ่อเนี่ยไม่ลังเกียจอะไรเลยนะเอาเขาลังเกียจรากไม้โอรากไม้อโอผลไม้ได้รากไม้ไม่ได้นะครับแล้วก็เป็นนั้นว่าชอบใจอะไรก็ถวายเถอะแต่อย่างนี้จะเรียกว่าอะไรเป็นอะไรลักษณะนี่เขาบอกว่าสังขารู้สติอ๋อสังขารุตติเนาะใช่ใช่โอประสงค์ครับ แต่ว่าเวลาถ้าหาเวลาถวายนะตั้งอุปก่อนเป็นพุท ธ, ธานุสิติด้วยโอ้โหใช่แล้วกับของที่ถวายนะเป็นสังฆานุสตินะครับเป็นสังฆบูชาเน่ยอ๋อเป็นบูชาหรือสังฆบูชาอ๋ออีกนิดนึงคือว่าอ่าสำหรับอายานัดที่หรวงพ่อเป่านั้นลูกตั้งใจจะถวายที่ลูกถ่ายไม่ทราบหลวงพ่อใช้ยี่ห้ออะไรจะคะลูกสาวมวมีอ๋อลูกสาวเหรอครับลูกสาวอ๋อ ตัวหมอมีแก่แก่<อ>แล่วุูกสาวนี่เมื่อฉันอายุทลารประมาณตั้งสามสิบกว่ากว่านะอ้ะแกเจ็ดสิบกว่าแล้วอ <c oughs> ตอนนี้ม่ติดเตผ่านหน้าโรงพยาบาลไหมไปแล้วโอ้เคยนีมนมนไปันที่บ้าที่ร้านแก่โอหลงพ่อเนี่ยเหรอใช่ใชโอ้วัฒนาสูงส่งเนอะใช่แล้วอ๋อหมดเวลาพอดีใช่ไ ก็ตกลงว่าอสรุปฟังก็คือว่าถ้าจะเอายานัดถวายรูปถ่ายหลวงพ่นะต้องเอาลูกสาวหมอมีนะตัวหมอมีไม่เอาแก่เกินไปนัดไม่ได้ลูกสาวหมอมีก็ยังสาวพึ่งสมัยนั้นแค่เจดสิบนะสมัยนั้นโอ้โหถ้าอยู่ป่านนี้ก็ร้อยกว่าแล้วนะใช่ร้อยกว่าจริงมันไม่ต้องไปนัดนะครับพอดีนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของคืนวันนี้เอาล่ะเอวังเก็บมานิ่งซ่า เดี๋ยวก็ก่อนจะเอวางกิ่มก็มีอยู่เรื่องหนึ่งได้ตกลงกับนาราเทพสมชายเย็นแฉะเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าเมื่อวานที่ถามว่าวันเสาร์ที่ยี่สิบเก้าธันวานะที่จะปลุกเสกมหาราชความเข้าที่ว่าเท่าสูงวิหารแก้ว1อยเมตรเนี่ยนะสมชายจะจัดรถออกวันเสาร์นะวันที่ย9ิบเก้าเก้าโมงเช้าแล้วก็ค้างคืนวันเสาร์กลับวันอาทิตย์รถแอร์ไปสองวัน สองรอยบาทราคาไม่เปลี่ยนแปลงเขแน่เหมือนกันดังนั้นก็มีอยู่สองอย่างหนึ่งถ้าพร้อมก็จองก็าเดือนนี้ที่เคาน์เตอร์จองตั๋วนะถ้าไม่พร้อมก็เอาไว้เดือนหน้าหลวงพ่อมาก็ใช้ได้อสำหรับเดือนหน้าหลวงพ่อก็มาอะไรเจ็ดแปดเก้าสิบุกเสาร์อาทิตย์จันเดี๋ยวก่อ น, นมาวันเดียวเอาอวมาวันที่เจ็ด ไปอยู่ไปเก้าสิบโอ้นี่นะขนาดคุยกับพระป่วยจะเป็นอย่างเงี้ยนะนี่ฉันนเฉืิมมาแต่ห้าวายยุ่เสียแค่ยูโอ้โหอ้จริงที่นะวันมาแล้วมาวันเดียวยกคงไม่ไม่ไม่ไม่ได้เรื่องเองเใช่ใช่ใช่แหมไม่นึกไม่ลึกเลยว่าจะเจอพระป่วยมีอารมณ์ขนาดนี้แี่เราก็ยอมแพ้อ่าครับเดินหน้านะเอ่อ ทีนี้คนที่บอกว่าลูกกุญแจหายนะตอนถวายของหลวงพ่อไม่รู้เจอยอังพลาดไปแต่นี่ไอ้ลูกกุญแจไม่มาเสิกมาตาแม่กุญแจอนี่ยนี่ม <c oughs> ีแม่มาไอ้ลูกไม่มาแม่มนคอยอยู่แล้วเหรอนี่ไม่ทราบของใครนะถ้าถ้าทนายก็มาเอาไปแล้วอีกฉบั บ, บหนึ่งกาไอ้บัตร a อทเอมของธนาคาร <c oughs> พี่อยากขอก็ไม่มาเอามันลงเอ็มแต่เอ็มแล้วก็มาเอาแล้วไม่ไม่ตัวเดียวเหรอเอ็เอ็มเหรอเอาเอ็มก็เอ็มด้วยนี่นี่หล่นตั้งแต่เมื่อตอนกลางวันนะฮะเขามีชื่อมาชื่อเป็นเป็นลายเซ็นภางติดแล้วอ่านออกมื่อไร่แล้วหาเรื่องมาให้คนแก่อ่านเอายังไไม่รู้ละ ของไทยก็มาเอาไฟฮะคุณละลิศเหรอคุณละลิศแล้วคุณอะลิศหรือโพลลิศมาลิศลเห็ือนกันนะคนที่ลิศลิศนะบาดก็ควรอยู่ที่ยกทรงนะถ้าทราบแล้วก็มารับไปแบบตอนกลางวันไอ้หูเจ้าคนนั้นน่าสงสารโวเกินเวลาไปนิดนะคือว่าแกไปฉีถ้าไหนก็ไม่ทราบกระเป๋าตังค์หล่นในช่วงปรับบ้านไม่ได้ไม่มีค่ารถ แ่ถ้ามาที่นี่มากระฟุงกรไฟผมบอกเออเรื่องจิ้มจ้อยเรื่องตังหายนะ่นไม่ได้คืนหรอกผมก็บอกเท ว, วดาครับ ผ, ผมชอบอย่างนี้ถ้าอยู่วัดท่า ส, าสงใช้เท ว, วดาวัดท่า ส, าสงถ้าอยู่ซอยสายลมก็ใช้ใชใชเท ว, วดาจะกลมเสริมไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงนาทีอะได้คืนไอ้คนที่เก็บได้ใกล้คนที่หายเนี่ยมันเดินไปยังไงไปเจอปังเขาเ๋าฉันเออใันก็จะให้คืน <c oughs> แ้วทำหมยกทรงก็เรียบแอทีเอมไปเลยได้ยกทรงนะได้เตกระเป๋าไปเรียบร้อยเอาละกลับครอบครัวแค่ไอใหญ่ไอเล็บอยู่ <c oughs> อ่ะแล้วไปกดกดแนละ้ว <c oughs> ใช่ขอที่ว่ากดผุมแล้วมันเปิดใช่ใช่ใช่ใช เ, เดี๋ยวที่สงใส่ยูนิตว่า ที่สถานที่ขวัด่านี่ก็จะเป็นอะไรเป็นศูนย์สงเคราะห์โดนักศใช่ใช่ศูนย์เคราะห์ูงเป็นสาขาที่หนึ่งอ๋อสาขาที่หนึ่งนะใช่แล้วก็สถานที่อย่างนี้ต่อไปจะเป็นที่อะไรกำสงคมรฐาน้วยป่าแบบนี้่าหรือปล่าเป็นอ๋อเจ้าะกสร้างห้องไว้แล้วหนึ่งเป็นที่จะเดินรำมรฐานสองปศูนย์สงเคราะห์สามเป็นที่อยู่ป่าป่าห้าแล้วก็สี่เป็นที่พระเป็นนอนอ๋อ หกะเดินเล่นเจ็ข้าะกินข้าวแปดพระขี่ก็เยี่ยวเอาเอาให้ครบเลยเลขหนึ่งถึงศูนย์เลยอ้อตกลงว่าคืนวันที่ห้าหลวงพ่อหลวงพ่อจะครั้งห้าหรือหกไม่ได้จะครั้งอั่งห้าคั้งหกห้ากับหกนะฮะใช่เขาจะหกห้านะหกห้าห้าหกเอาลงให้เดี <c <c <c ๋ยวนั <c <c <c <c <c <c <c <c ่งฟังคีณถามเนี่ยไม่ใช่ไรจะขอทุนคืน เสพใจลดขุนแผน <c oughs> สู้ยอดลอยตรงสามศูนย์ก็ไม่ได้อ<ช>ครับในก็ประกาศไปทราบไปที่โมธนาจะมีศูนย์สาขาคงว่าท่าสงสารขาที่หนึ่งนะอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีวันฝาปัญญ า, ากับคุณแม่บังเอิญเปิดวันที่เปวันที่ห้าทั้งพ่อนะใช่ผมจะประมาณเก้าโมงเช้าถ้าไม่เก้าโมงก็สิบโมงอ๋อเพื่อให้รถมาถึง พอพอมาถึงประเดี๋ยวก็ทําการทำงานเสร็จเลยครับแล้วและหลังจากนั้นก็จะมีพักพวกตัวเลื่อนก็ถามมาดาตก็ต่อรายการไปเลยที่พีอะก็ไม่ต่อหลังจากนั้นหลังจากเพลินแล้วมาเยี่ยมหลวงพ่อวิสัมปยาแล้วไปดูโรงเรียนด้วยขาดวันที่หกจริงจะไปเยี่ยมหมดพระที่ชื่อเลื่อนอะอ้เพราะวันที่ห้าคอยไม่ไหวแล้วขาดพอมาจากบางก็จะทุ่มแล้วขาดขาดกลับทุ่มเนาะอ่า สาวๆนี่ก็แจ้งให้สาวเาวอาละอาะจเกิวเวลาหน่อยดะให้คุณนึ่งพฤศิกายนใช่ยังนี่จำได้นะจบการบ้านของพี่สาวเวลาตอนกลางคืนใกล้ๆจะเริ่มหลับจะปรากฏว่ามีเสียงลมพัด แ, แรงๆและจะมีคนมาเดินแขนโลก มันดึงไปลูกดึงหมาลูกดึงหมามันดึงไปลักษณะแบบนี้แกไม่ตกเลยอยากจะมากราบพึ่งบรารมียุทธวิธีจากหลวงพอ่อว่าไปทํายังไงถึงจะแก้ไขเจ้าเจ้าคนมาดึงได้ออตกต่อนเป็นคนมีเสน่ห์จะแก้ยังไงเล่าว<อ>่มา<อ>นะดึงเพรมีเสน่ห์นะคนคนทุกข์จริงคือคนค น, คนมีเสน่ห์แหละครับใช่ใช่อคนเยาะเย้ยเขาไม่ดึงเห็นไหมเล่า เมืัอกี้ไม่ใช่อะไรเป็นธรรดาเพื่อนกันไม่ต้องแก้ไม่ต้องแก้าขาช่วยกันแล้วกันนะครับครับอ๋อก็ปิดง่ายก็เลยถือโอกาสให้เขาช่วยเลยเหรอใช่เมืออไรร้อยช่วยครับอ๋อเพื่อนกันนะเราเรียกว่ามิตรสลายยู่ไดีแล้วแมเสียดายแล้วถ้ามเดินยกตซหน่อยขอหวยตรงยมาเดึงไม่ถูกพี่ไม่กล้าเดินยกงล็อกเขาเป็โหวย เทวดากลัวคนขอหวยเหมือนกันลาบท้าว้าวพระเดชพระคูณหลวงพ่อสิครลบจัง so, สูง so คือ so, ว่าอย่างนี้ขอรับคุณแม่ขระเด็กนักเรียนที่ลูกสอนอยู่ปัจจุบันนี้เทว่าถูกก็มานพลายมาสามสิบกว่าปีครั้งแรกผมก็ใช้น้ำมนต์ของหลวงพ่อซุ้นมาวันเกิดเอาไปทามันก็บรรเทาลงไปดีมากแต่ยังไม่หายขาด มีโอกาสไปที่วัดหลวงพ่อก็ได้ส่งเพราะก็ดีขึ้นเยอะทีนี้กลับมาถึงบ้านผมเลยเอาทุกเป่ายานกรอกเพชรลองจีด้ดูวงเล็บไม่ได้จุดนะพอจุดต่าหน้าดูจะแข็งผังมันนี่อีกเอาทุกจุดเอาทุกจี้ก็ปรากฏดว่าเนื้อตรงนั้นน้ำมันเต้นผางๆแล้วมีน้ำมันไหลออกมาอีกแต่ว่ายังไม่หายสนิท ด, ดี อ่าที่จะเรียนถามก็คือว่ามีคําแนะนําเพิ่มเติมเสริมต่อยังอย่างไรหรือไม่ก็ก ร, ราบขอบพระคุณล่วงหน้าเป็นอย่างสูงขอรับทำตามนั้นไปเรื่อยนะเอาจุดนี้ไปเกณฑ์เลยนะครับใช่เพราะก็ทํำในผลแล้วนะโอ้จะจะเรียว่าคนกินน้ำมันคลายได้กินน้ำมันอื่นไม่ได้นะโอถ้อากินหมูกินน้ำมันหมูกินน้ำมันต่างๆเข้าไปมันจะเพิ่มโอนี่ต้องรู้วันนี้เองแมงโม่หมดต้องลาน โอ้งั้นคนที่ถูกประเภทนี้ห้ามกินน้ำมันเลยนะใช่ใช่อย่าบริเน้ำมันนะครับครับตอนนี้แล้วกันยังไงครับกินเจเลยโอ้แต่เจปลาได้นะเจปลาเจเนื้อได้เจมันหมูไม่ได้อ๋อยกไวในกลุ่มน้ำมันน้ำมันแน่นะใช่ใช่ใ ช, ใชเออนี่นเป็นความรู้ใหม่นะ ต่ได้ผมไม่ถูกจะลองดูว่าจะเป็นยังไงไม่ต้างดูเลยเราได้คุยกัก่อนแล้ว <laughs> จะได้ซี๊ดอย่านมันั่งบ้าพับพับพแก้ยากนะพวกต้องมันลายนี่นะแก้ยากจริงกราบกราบกราบเปลี่ยนหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงลูกได้พบท่านผู้หนึ่งคือด็อกเตอร์โกสินใช่ไหมวงสุงวัฒนะ ก่อนแกจะมรณะภาพตายแกรู้วันตายของแกบอกจะต้องตายเมื่อ น, นั้นวันนี้แล้วก็เป็นความสิงจบชีวิตตายเมื่อวันที่38สินวาคมพุทธศักราช2050เอ๊ะไม่ต้องห ม, <ข>มายความขอบคุณนะวะ<า>ขอบคุณตายวันที่38เลยขอบคุณโ โ, อ โ, อโอเอ๊ะก็เดือนมันมีแค่38วันไม่ใช่ โอ้ยอ่ยอยงงี้รู้วัน ย, ยางงี้มีรู้ว่าตายไงแง่เพราะมันตายก็เอาแล้วบอก่าไปเอาาว่สาม8ปดก็แล้วนนะไอเป็นยี่สิบแปดนั่นน่ะเป็นเช <'re> ่นเ <5. S 2> ข็นนผิดไปครับนี่เลขสามนะอเอาไปนับว่าตายกันแล้วกันนะอันที่แปดมาใหมา่โดยโดยใชครับ <c oughs> ให้กำลังใจอาที่แจกราบเรียนถามก็คือว่าอย่างงี้ ว่าผู้ที่จะรู้วันตายได้นั้นจะต้องปฏิบัติธรรมะถึงขั้นไหนขนาดไหนเพื่อทราบตอบไปได้ครับผมใครของมันงนั้นเหรอผู้ชายของรรมันอ๋อเอ า, อานี้แล้วกันแบบปรบถ้าติดต่อพระเทวดาได้พร้มได้พระอริยะได้รู้วันตายแน่โอ้เดงงี๋ยวนี้วิชามโนวิจัยเองไงๆวิจโทให้ตรงลานน่าจะบอกเก็ด้วย เดก็ให้ทั้งตัวเอาแค่เจ็ดทำไมคับโง่หนักกว่าก็เกา่าผู้หิงนะสาวๆก็โมศนาด้วยนะปฏิบัติจนกระทั่งได้ดีขนาดนี้ อ, อ, อย่างนี้ตายแล้วก็สบายมากไม่หายใจนี่ผู้หญิงผู้ทายอระาบนรมัศ ก, การพระเดชพระคุณหลวงพ่อเสกรรอย่างสูงพทมนอนภาวนาอุบัยแน่ผม ผมนอนภาวนาบ่อยครั้งประมาณสองสามพอประมาณเตยสองเตสามจะรู้สึกว่าร่างกายเนี่ยนะมันจะพุ่งออกไปข้างนอกพอคิดว่าจะขึ้นไปข้างบนมันพุ่งเรีย้ยถึไปไวมากกรับพอคิดว่าจะไปข้างล่างมันก็พุ่งปลาดไปทันทีแต่เป็นที่น่าเสียดายมันไปอยู่ไม่นานเดี๋ยวมันก็หล่นปุ๊บมาเท่าล่างอีกที่จะกลเรียนถามก็คือว่า หลวงพ่อจะมีคำแนะนำปฏิบัติอย่างไรลูกอยากจะอยู่นานๆอย่างข้างบนเป็นต้นขอรับเออสี่ปีอะเอาเอาไปีปได้เหรอได้ข้างล่างเผาเสร็จอ้ยได้ระยะยาวแล้วก็เผาเสร็จเลยใช่ให้ตั้งเวลาจะไดานาฬานสติสัาวแตแปลกสินาทีไม่ยอมนิดซื้อเรื่องอื่นต่อไปยี่ิบนาทีไม่ยอมนึกื้อเรื่องอื่นให้มันชํา เอาไปสามสิบนาทีไม่ยอนมนเ ร, ร, รน<อ>นื่องอื่นแล้ไม่กินโอย่างนี้จทรงตัวได้โอต้องตั้งไห้เวลาเวลาเวลาไว้ได้ต้องตั้งเวลาครับครัโอ้อย่างนี้ก็ไม่มีปัญหานะมาหาหลวงพ่อแล้วไม่มีปัญหาเอานี่บอกว่ากลางเช้าหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงเอ่อได้กินหลวงพ่อเคยประกาศไว้ามาหลายเดือนก่อนจําไม่ได้แต่แล้วว่า พุทธบริษ ah ัทที <Flow. S 2> ่มาจะไปในงานปีอ๋องานปีปศสามสี่นั่นกว่าจะมีพระอะไรพิเศษมาสั่งว่าให้ทำขาหมูต้มยำใส่ผักบุ่งลูกอยากจะเรียนถามว่าพระองค์นั้นน่จะนั่งอันดับที่เท่าไหร่ลูกจะได้ต้มขาหมูปัสวายถูกขอลงนั่งอันดับไม่รู้เท่าไหร่ ก็ตกวเขาให้เลี้ยงกันหมดั้าหมดอหมดเรื่องหมดลาวไปเลยนะใช่ไปจอดจององนั้นองอื่นก็จอดฟันนอน่ายฮามารับใ้ต้มขาอะไรขาหมูอะไรขาหมูต้มยำใส่ผักรุ้งอันนี้ปลาดมากนะนี่ถ้าจะให้ดีนะลองค้มซ้อมต้มมาถวายซอยสายลมสอนนะบางทจะแน่นอนกว่าองนี้มาเท่าไหร่รับหมดเลยองยุกองมาเท่าไหร่รับหมด ปเป็นของดีโมทนาก็บอกว่าอะไรตัวเล็กนิดเดียวลาบเท้าหลงพ่อที่เคารพอย่างสูงเวลาที่ลูกภาวนาจเจริญเพ่กรรมาฐาน จ, นจนจิตจะเริ่มส ง, งบจะรู้สึกว่าเห็นดวงกลมๆสีขาวสลับสีดำวูว่ว า, ว, าว่าวูเข้าตั้งหน้าผาก บางทีก็เข้ามาคุม้มสังสีสะสลับกันไปสลับกันมาลูกก็สงสัยเหมือนกันแต่ว่าไม่รู้เป็นอะไรจะเรียนถามหลวงพ่อก็เกรงใจแต่ก็ต้องถามอยู่ดีเพราะไม่เข้าใจความจริงไอ้เจรินี่ไม่ถามเล่าอะไรกันครับอาจารย์ะบอกหน่อยพอดีนี่เขาเกรงใจหลวงพ่อ <c oughs> เอางี่กแล้วกันไอ้ันนี้เป็นนิมิตข้าน า, า น, นานุสิกข้านานั้นจิตเริ่มเข้าวิจารณสมาธิเบื้องต้น ผมนี่ก็เรียกว่าเข้าขั้นดีแล้วนะเริ่มเริ่มดีโอประเภทพูกว่าพูกว่าใช่ใช่ใช่ครับครับาเท้าหลวงพ่อสิบกรอบอย่างสูงโดยปกติแล้วลูกจะมีจิตใจไฝ่ในกุศลเป็นอย่างมากชอบทำบุญชอบบริจาคเพื่อสงเคราะห์อยู่เสมอเสมอบังเอิญบังเอิญแหมไม่ใช่อ่องคลายนะบังเอิญบริมหาฝ่า ไม่เห็นหน้าสองวันะอ่าไปพบรพระท่านใชรถปิกอัพมาตั้งมาเลี่ยารโดยมาพิสูจวางไว้แวบะบเจียวจิตเป็นอกุศลคิดว่าสงสยคงไม่เข้าวัดแงะขอคิดเท่านั้นเองใจลูกตกทันทีรู้ว่าตัวเองเลวรู้จักเองชั่วก็เลยขอพึ่งบา ร, รมีหลวงพ่อสี่ซอยสายลมโรดโอโหสิกรรมจิตชั่วของลูก ขอหลวงพ่อดนจิตดนใจอย่าให้ลูกมีจิตเป็นอย่างนั้นต่อไปเลยเจ้าค่าะใช่ว่าคิดดีแล้วเหรอครับคิดดีแล้วเหรครับใช่อรายการนั่นเขาเขาดิรายแทนวัดอเขาคิดถูกแล้วเนี่ยครับครับเพราะอารมณ์ที่เป็นกุศลยังคิดแบบนั้นไ<อ>งกุศลก็ดนใจบไม่เร็วนะอ ย, อย่างนั้นก็ต้อง ไม่เป็นไรเลยนะไม่เป็นไรอ่าก็สบายใจแหมลูกศิษย์ลูกพ่ออีกแวบนิดแวบหน่อยแล้วอดทัวเป็นบาปเป็นกรรมไม่ได้เออแวบก็ไม่แน่นักนะฮะไม่แน่นักโอไม่แน่นักนั่นเลยโอ้ผมลูกจะแก้ไขโดยซื้ออาหารหมาแมวเข้าไหววัดเท้าซุ้มซิกำลังต้องการอยู่ตอนนี้ธรรมศาสการปราบเท้าหลวงพ่อที่กรรพบอย่างสูงโอโหไอ้ของกระผมชื่อนายวิชัยฤยประสเดช อายุ72ปีป่วยเป็นโรคมะเร็งลำไส้เข้าผ่าตัดที่โรงพยาบาลศิริราชเมื่อเดือนที่แล้วเขาได้ฝากปักกจจัยมาถวายสังฆราชชุดใหญ่กับหลวงพ่อเพื่อให้เขานี่ก็เขียนมาสังฆราชจริงๆเลนเขียนมาอย่างนั้นนี่ไงสังฆราช อ, อ่านตามเขียนนะยกกองชื่อนะกองซื่อนะ ส, งสัะงฆราชชุดใหญ่ โอ้โหแสดงว่าเมืองไทยนี่มีสังฆราชใ้ชุดเล็กชุดกลางชุดใหญ่นะเออเอาวต่อเลยนะาสังฆราชชุดใหญ่หนึ่งชุดกับหงพ่อเอเอสวรรไปแล้วนะเอจุดประสงก็คือว่าต้องการให้เสียหายป่วยก็ตั้งใจจะไปบอกเสียให้โมทนาขอให้เสียให้มีความรู้สึกตก่อนแต่บังเอิญบังเอิญยังไม่ทันจะไปบอกยังไม่ทันจะรู้สึกแกก็มองเซ็งไปเมื่อวันที่สามสิบพอยยอนี้ ไอ้ที่จะเรียนถามก็คือว่าผมไม่อยา ก, กรบกวนหลวงพ่อหรอกแต่ถ้าหลวงพ่อจะสงเคราะก็ช่วยไปบอกเสียด้วยเธอไอ้ที่ให้มาห้าร้อยถวายไปจริงๆงแล้วแม่ <c oughs> ไม่ได้ใช้พระเออค่าจ้างเดินทางโอ้โหมันสังฆราชชุดใหญ่ด้วยนะไ <c oughs> <c oughs> ม้เกิดมาซอยจะลเพื่ได้ยินสังฆสังฆราชชุดใหญ่ไม่เป็นไรแล้วแกให้สตังมาใช่ไหมครัครับแม่ว่าแกได้บุญแล้ว อย่างเร็วที่สุดก็ไปสวรรค์แล้ลวครับหมายความว่ากองให้ไปแล้วนี่จะถึงหรือไม่ถึงนี่<อ>จิตเขาตัดจิตใจจิตตัดแล้วนี่โอสุดสูญแล้วครับๆร บ, บ, บ, บ, บไม่แน่อาจชาติหน้าจะเป็นสังฆราชก็ได้ชุดใหญ่ด้วยใช่ <c oughs> โมทนาด้วยนี่อะไรกาเรลี้ยลง่อที่เคารพอย่างสูงอ๋อคือว่า มีผู้มีอุปการะคุณกับลูกเคยส่องเคราะมาด้วยดีตลอดบังเอิญบุคคลที่สามมายุแยงให้ลูกต้องแตกผิดใจกันไม่เข้าใจกันทำให้ลูกรุ่มใจเป็นอยากมากถ้าลูกจะถวายสังฆ ท, ทานอุทิศให้อีกคนที่สามที่มันยุโยงให้มันบรรยบรนทุญไปน่าจะได้ไหมเจ้าคะ เออดีจะได้ไปไหวดีได้ไปเี็นเวลาใะโอ้เป็นเานางฟ้าเร้่มายุ่งใหม่ก็เก่าครับยังกดีโอ้เข้าใจเข้าใจอ๋อคนเราที่เกิดมาชาตินี้ที่ที่ต้องมีเรื่องปัญหาแรงส่ายนันก็ไปวิบากของของใครที่สามครับทีหลังจะไปยุ่ให้ลำตามไม่รู้ใครนะเดี๋ยวมันจะตามมาทีหลังเจ้าทางเอาผ่านไป อกากราเท้าหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงอะไรเงี้ยอ๋อลูกมีพระขององค์หนึ่งตั้งใจว่าจะนำมาปิดทองให้สวยงามเป็นที่เจริญตาแต่บังเอิญในขณะที่แกะออกนั้นรู้สึกตมือจะแรงไปหน่อยแคร้งจะจุยกระจายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยอลูกพกใจไม่สบายใจไปอย่างมากจะทิ้งกับเสียดายจะไว้กับครัวว่าครอบครัวจะแตกแยกก็เลยมาพึ่งบา ร, รมีหลวงพ่อว่าจะทาอย่างไรดีเจ้าคะ ไม่เป็นไรเขาไว้ได้เอาไว้ได้เหรอครับไม่ไม่ไม่ไม่ไม่โทษหรอกสงสัยจะเป็นพระสมเด็จนะเขาเขาเโอย่างนี้นะอ้โหอย่างนี้ก็สบายใจสิไม่เป็นไรนะโอ้คบครับครแล้วว่าทาไมแน่ใจมันจะไหววัดเลยใจ่ได้รับถึงบนต่อครับไม่เป็นไรนะสบายใจนี่อะไรอ่ะโอ้โหลาบเท้า น้อมสการหลวงพ่อจึงก็ลบอย่างสูงคือว่าอย่างนี้ลูกเป็นคนโชคไม่ดีมีคนหนึ่งใกล้จะตายได้มอบมรดกให้ไว้มากพอสมควรพอให้ไว้ไม่นานแกก็รีบตายไปเลยอ้าวพอดีแล้วโชคไม่ดีไงว่าให้มรดกทีนี้เกิดมีความระลึกนึกถึงในความดีของท่านก็ อ, อยากจะทำบุญทํากุศลทดแทนไปให้เพราะว่าได้รับมรดกไวมากอยู่จึงอยากจะปรึกษาหลวงพ่อว่ า, าจะ ทำบุญประเภทไหนอย่างไรถึงจะสมกับที่แกได้อุตส่าห์ให้ไว้ครับยังไงดีครับหลวงพ่อครับถ้ามากพอสร้างโบสถ์ได้ก็สร้างโบสถ์นี้พระประทานด้วยออถ้าไม่มากสร้างโบสถ์ไม่ไหวก็สร้างอยู่าพระประทานกราบบแล้วก็ทอดสินใช่ได้โอ๋แหมคนใกล้ตายมันน่าจะมาหาประตูน้ํำอ่งนะชอบจริงๆใ้มรดกเนี่ยนะ <c oughs> <c oughs> แบบก็ดีแลวนะถ้ามากก็สร้างโบทไปไม่ไม่มากก็สร้างประทานนี่อะไรลาพ้าหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงลูกทำงานขายบ้านและที่ดินอยู่มีความรุ่มใจเป็นอย่างมากคือปรากฏว่ารายได้มันไม่เข้าเลยมีแต่รายจ่ายลูกได้บนกรมหลวงสมพรแล้วท่านก็เฉย บอกหลวงพ่อคำข้าวมหาราบแล้วท่านคนหนึ่งลูกบอกเราพุทธเจ้าที่วิสุทธิเทพวัดทราบทรงท่านก็ไม่ไมา ไ, ไม่พูดอะไรเลยทีนี้ลูกตั้งใจว่าพูดกับหลวงพ่อดีกว่าพ่อหลวงพ่อพูดได้คือว่าขอขอให้หลวงพ่อพูดว่าอย่างนี้ขอให้หลวงพ่ออวยพรว่าต่อ น, นี้ไปขอให้ลูกจเจริญเจริญมีเงินมีเงินเข้าจะได้เดือดร้อนเหมือนปัจจุบันนี้เลยเจ้าค่ะ เขขอให้พูดอย่างนั้นเลยขาดขาดขาดนีเ่นเาขาขาดทำยี้ดีกว่าทำให้รวยมากๆดีกว่าสาธุขอด้วยขอด้วยฮ่าฮ่าเออก็แปลกนะบางทีนึกจะรวยก็รวยนึกจะจนก็จนนะอ่าวบอกว่าอาเจริย์เขาลาถวายได้ตลอดครับลาเท้าลงพ่อดสิครลบอย่างสูงโลกตั้งใจจะขึ้นบ้านใหม่ รอโดยลูกจะเช่าซอยสายลมบ้านเจ้ากรมเสริมเพื่อไปเป็นสิริมงคลแก่บ้านออไม่ทราบว่าสิ่งไหนอย่างไหนจึงจะเป็นสิริมงคลดีเออจ้าพ่ะสีทุกอย่างดีทุกอย่างเลยนะครับเพื่ออะไรก็ได้ใช่ไหมครับอะไรก็ได้นี่นี่เขาจะเช่าซอยสายลมอ้าวแล้วครเขาจะเขาจะเช<อ>่าซอย เพื่อจะเช่าบ้านอย่างนึงถึด้วยไม่หวังถ้าได้ได้ได้เคลื่อนสำนักกันแน่นะอ่าความจริงคงจะหมายถึงว่าวัตถุมงคลอย่างใดอย่างหนึ่งที่ว่ายันแดงหรือว่าโมกันอ๋อกรอบเพชรนะครับใอ๋อพิชัยสงครามกรอบเพชรสองข่าเนี่ยเอาไปคู่กันะขึ้นบ้านใหม่หรืออะไรเงดีที่สุดนะเดินมากไฟไม่เคยชอบบ้านใหม่โอ้อันไหนอันอันแดงกรือันขาวทั้งสองทั้งสองอย่างเลยครับโอ้ครับ อ่านะตกลงกันอย่างนี้นะยาวซอยไปเลยลำบากแล้วทีนี้ก็มีวงเล็บไปว่าลูกตั้งใจจะขอนีมนกายทริปของหลวงพ่อไปเป็นประธานในงานนี้เพื่อเป็นการสะดวกและประหยัดเศรษฐกิจขอให้หลวงพ่อไปแล้วก็กลับเองโดยสวัสดิภาพด้วยเอเ อ, าายอเจริญใจทนนี่เพชรนี้เปล่าไม่รู้เอาไม่ดีกว่านี <c oughs> มนก็จะยาดีกว่า เราพุธเจ้าเลยนะครับใช่๋อถ้าจะไหวก็วท่านเดี๋อจะไร่เรากินฝากอืนี่แสดงนิจใจสปอร์ตนะใช่มากไม่ให้อะไรเลยให้กลับเองไ ป, ไปเองม <c oughs> เองนะเอ่เอาวขอให้เจริญเจริญอ้าวลายนี้บอกว่ากรลาบเท้าหลวงพ่อจะรบอย่างสูงวันที่ขึ้นไปนมัสการพระธาตุลอยตรงหลวงพ่อบวงสวงเสร็จเจ็บร้อยแล้ว หลวงพ่อได้พูดว่าเออมันมีอยู่คนหนึ่งนะอาจจะไปไม่ได้เพราะว่าอ า, อาจจะไปนิพพานไม่ได้เพราะว่าชอบกินเหล้าอยู่ผมขอบอกได้เลยว่าคนนั้นไม่ใช่อื่นใครที่แท้ก็คือผมเองใครไนดะ้ขอไม่ <c oughs> อยากจะขอดูหน้าละไหม <c oughs> ใจกล้าสารภาพบอกแม่ก็ <c oughs> ไม่ใช่อื่นใกลนะที่แท้คือผมเอง เพรปกติเนี่ยผมดื่มเป็นประจำเลยก็รับแหมทําไมหลวงพ่อรู้ได้ทั้งๆที่ไม่ได้บอกเลยอ่าทีนี่คืออย่างนี้ที่จะถามว่าข้าอยงนี้ผมขอบอกหลวงพ่อว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปจะขอเลิกดืม่มและจะขอตั้งใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพื่อไปพระนิพพานธาตุนี้หลวงพ่อจะเอาโหสิกรรมเมือ่อเมื่อรอยตรงแล้วให้ออกเปิดโอกาสให้ลูกไปได้ไหมขอรับ ไม่ต้องเพราะกรรมมีผลแน่นอนไปได้โอถ้าเลิกได้นะถ้าเลิกปุมันได้บาดปั๊บไปได้นะอโอยนี่ใครจะแท้นั่นแหละครับครัขัดอยู่แพ่นั้นเองวันนั้นน่ะโอเจ๊ก็นั่งไกลไกลกลิ่นก็ไม่มีแล้วกแต่ความจริงเขาบอกนะเขาบอกว่ากอจะไปที่ดอยทรงนะแห่แเศรเบียเข้าไปหน่อยอย่างี้มันเปรี้ยวปากแก้หนาวใครใครก็ นั่งรถชั้นที่หกนะรถแอร์ของผู้ชายนะเขาชั้นที่6กนะเขาสารภาพแล้วนะก็เป็นอันว่าดีแล้วดีแล้วไม่กวกรจะดื่มต่อไปนี่เลิกแล้วนะเออโมทนาอะไรเนี่ยลาบท้าหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงถืออย่างนี้ตอนที่ลูกสาวจะไปเมืองนอกไปอเมริกาพเพราะแกมีแฟนเป็นฝรั่งไทยได้ฝรั่ง ลูกไม่รู้จะเอาอะไรให้ไฟก็เลยรีบเอาอะไรเอาฟูผู้ชนะกับพยันแดงที่เลี่ยมพลาสติกเรียบร้อยจากซอยสลมให้แก่ไฟเพื่อจะได้ป้องกันแต่น่าเสียดายว่าพระหางหมากมาช้าเลยมอบให้ไม่ทันทีนี้ผมเยดีชันได้ขา่าวแว้วๆว่าเมืองนอกมันจะปุ้งเฟ้งเปลี่ยงปลงก็อยากจะเรียนถามว่าเหรียญปูผู้ชนะ จะสา ม, มารถคุ้มครองเหมือนกับหลวงพ่อหางหมากหรือเปล่าเจ้าคะืสมัยที่มีคอมนิส ก, ก็ช่วยทหารได้เยอะโอ้ตัเนี้ยนะอะสาธุขอพระทุกคนคราบธเพราะว่าของหลวงพ่อทุกอย่างสมเด็จก็ทำํำเ้า อ, อย่างนี้เขาอะไรม่สบายใจนึก ว, ว่าจะใช้แต่จะพอหางหมากอย่างเดียวโมน า, มมานี่ก็บอกว่าปาดเท้าหลวงพ่อจะกลบอย่างสูงประมาณเดือนที่แล้ว ลูกท้องเสียไม่สบาย่ายอุจระลูดลาดเหมือนหลวงพ่อเปียบเลย <c oughs> ทีนี้ลูกเป็นลูกหลวงพ่อเวลาจะนอนลูกก็ต้องภาวนาบางทีก็อนุมาพร ะ, ะบางทีก็นิพพานระสุขขังพอทันท่าจะเคลิมไปปรากฏว่ามีผู้หญิงประมาณสามสิบคนเศษเห็น จ, จะได้เข้ามาหาลูก หนึ่งในจำนวนนั้นลูกมีความรู้สึกโดยทางจิตว่าต้องเป็นแม่ของลูกแต่ก็มาบอกว่าลูกเอ้ยไม่สบายมากเลยเสร็จแล้วแกก็เอามือมาลูบหัวก็ปลากรดว่าเมื่อลูกมีความรู้สึกขึ้นมาปุ๊บอาการที่เป็นนั้นหายราวก็ปิดทิ้งที่เรียนมานี้ไม่ใช่อะไรอื่นคืออยากจะตอบแทนพระคุณของท่านแต่ไม่รู้ว่าจะทําบุญประเภทไหนจึงจะเป็นถิ่ถูกใจของนางฟ้าเจ้าค่ะโอ นางฟ้างฟ้าแม่ผู้หญิงต้องเปน็นนางฟ้าได้ไหมไม่แน่ <c oughs> โอ้โหที่สบายธรรานนี่สบายอ๋อที่มีรู้จะรูปต้องกายอย่างนั้นราบอ๋อก็นหน้าอจรร์ น, นะโรกภัยแท่เจ็บในบางอย่างเทวดาอารักษากใ็ใช่ค่ะถ้าสงเคา์ได้สงเคทันทีเลยนะถ้ามีโอกาสที่สงเะ์ได้ฉันช่วยทันทีอ๋เอเอ๊นี่ต่อไปโรงาบานก็แหม่แย่เลยนะ ถ้าทำไมมาทุกคนนี่ใช่เป็นบางคนงนั้นแหละใช่ใชอ๋ออันนี้ก็คงจะเคยเป็นแม่เป็นลูกกันมาน ะ, ะดีแล้วผมก็ได้ก็ดีแล้วี่บอกว่ากราบเทา้านมัสการหลวงพ่อที่กรลบอย่างสูง อ, อ่พระบรมสารีริกธาตุก็ดีพระธาตุก็ดีลูกมีความรู้สึกว่าจะต้องมีเทวดาปกปักรักษาเป็นแน่ที่จะเรียนถามวันนี้ก็คือว่า ลูกอยากจะสนองพระคุณท่านที่เฝ้าพระบรมสารีริกธาตุก็อยากจะทําบุญทำกุศลอุทิศ <c oughs> ไปให้ลูกคิดว่าสังฆทานอย่างเดียวจะไม่พอแก่ความต้องการมีอะไรที่จะเพิ่มเติมอีกหรือเปล่ า, าเจ้าค่ะสตังด้วยอะไรขอสตังก็ได้เหรอสตังด้วยก็ได้อ๋อสตังด้วยก็ได้เนพะิ่ม <c oughs> เติมเลยแล้วอ๋อแม่นี่คิดเป็นเก่งนะแหมมีความกระตันอยู่แม้กระทั่งเทวดาที่ เป้าเขาบรมสารีแล้วควรจะไปยังไง้นี่ะเดี๋ยวครับเขาเป้าบรมสารีด้วยเขาเข้าเราด้วยเขาเข้าเราด้วยโอ้อย่างนี้เป็นเรื่องประโยชน์ใหญ่เลยนะอ้าวอ้าวส่อไปก็อะไรเนี่ยอ๋อหลวงพ่อครับเวลาเจริญพระธรรมฐานคือนั่งสมาธิไม่ทราบว่าเป็นเพราะเหตุไรลูกจะนั่งได้ไม่เกินสองนาที แล้วมันก็มีอาการพุ้งซ่านบางทีก็เกิดความโปรดบางคสนั้บางทีก็จิตพุ่นวายบางทีจิตก็ออกวูบว่าบไปข้างนอกเอ่อที่จะเรียนถามมันนี้ก็คือว่าลูกอยากจะนั่งให้ได้สักอย่างน้อยห้าหรือสิบนาทีแต่ก็นั่งไม่ได้ไม่ทราบว่าเป็นเพราะเหตุไดขอหลวงพ่อแนะนำด้วยเถิดเจ้าข้าอยากจะได้นั่งได้ไหมเรื่องธรรมดาอ๋อธรรมดาคนที่เริ่มฝึกสลับจิตจะวุ่นวาย ให้เรางม้ดิให้นับลมหายใจเข้าออกครับครหายใจเข้าใจออกนับเป็นหนึ่งหนึ่งหายเข้าออกนับเป็นสองครับเอาแค่สิบครั้งถ้าภายในสิบครั้งนี้ยังคิดอย่างอื่นเข้ามาแทรกมาตั้งต้นใหม่ให้เข็จอดไม่ใช่จะชินจะชินแล้วก็เอารอครับครับถ้ตกลงก็ต้องใชใช้อนาปาร์แล้วก็นับเอานะอ่าใช่อนาปาร์นี่กันพุ่งซ่าน โอโดยตรงเลยแหละครัน ข, ของธรรมฐานนะอโอครับครับหลวงพ่อครับเอ้ยฉันเบื่อโลกเหลือเกินอยากจะตายวันตายพรุ่งให้รู้แล้วหรือรอดไปเพราะไม่กลัวแล้วเรื่องความตายแต่ก็ไม่แน่ใจว่าอารมณ์แบบนี้ตายจริงๆแล้วไม่รู้ว่าจะไปล่างหรือไปบนก็เลยอยากจะถามหลวงพ่อว่าเมื่ออารมณ์จิตจางนี้เกิดขึ้น เราควรจะอธิษฐานแบบไหนอย่างไรเผื่อว่าตายจริงๆเราจะได้ไม่ลงข้างล่างจา้ะครับไอ้ถ่ายว่าฉันยังไม่ตายฉันยังไม่ตายไม่ยังไม่ตายโอยาใส่กระถานเนี่ยเหรอเอานี่ที่นึกถึงพระพุทธเจา้าโดยเฉพาะครั บ, รบเอาพระรูปองค์ใองไ์หนึ่งก็ได้นะวางเข้าแล้ว<อ>จําภาพท่านจําไว้ถ้าตายเมื่อไรไปข้างบนเมือนั้นอเอาเอาแบบนี้เลยนะแบบนี้เลยนะครับก็อย่างงี้ง่ายดี อ เ, หเหอีกอารมณ์หนึ่งเอามันมาเขาก็ตอบมาเลยนะเอกอารมณ์หนึ่งเป็นอย่างนี้เจ้าค่ะเวลาลูกทําบุญก็ดีถวายสังฆทานก็ดีใจมันเฉยเฉยไม่ยินดีไม่ยินร้ายไม่อิ่มไม่สบายคล้ายๆเขาว่าทําศักแต่ว่าทําอย่างนั้นแหละอารมณ์อย่างนี้ลูกว่าไม่ดี แต่ลูกก็แก้ไม่ได้เพราะมันเป็นนิสัยมาตั้งแต่เด็กเอมาณโอกาสบัดนี้ลูกขอบารมีหลวงพ่อต้องช่วยสงเพราะสักครั้งเถิดเพราะเกรงว่าทําแล้วจะไม่เต็มไม่เต็มหน่วยทําก็ยังดีก็ไม่ได้ทำอ๋อทึ่ทําแต่ไม่ยินดีก็ยังดีกว่าที่เฉยๆก็ไม่สงเต็มอ๋อเต็มหระครับเออนึกว่าทําบุญแล้วจะต้องจิตใจสุขเวียนก็จะไม่ต้องเยอะแต่ว่าสวยหน้าเขาหน่อย เป็นนางฟ้าได้แต่สวยตัวเขาหนิดหนึ่งโ อ, อ, อ้ตัวยิ้มดีตัวยิ้มเนี่ยทําให้สวยมาก อ, อ๋อทำไม่ดีนะวลถว า, ายข้อธานต้องยิ้มยิ้มนะคราวโหคราวละอีกคราวนี่เลยนี่ไงอะไรไม่ว่าข้าหลวงพอ่อถวายที่ซอยไทรลมเนี่พอแก้ไขได้ถ้าไปที่วัดท่าทุ้มเนี่ยก่อจะเข้าไปถวหลวงพอ่ออาจาจะยิ้มติดตะ้งั้งยิ้มแงไม่ใช่ตั้งใจไว้ว่าจะยิ้มไว้ก่อน อพอเข้าจะถึงเขายิ้มไม่งั้นจะยิ้มเมือ่อยโ อ, โอมีหน้าเหล่าพวกนางงามที่เขาประกวดเทพีไอ้ที่สวยๆนี่ก็อาจจะเป็นเพราะว่ายิ้มอ่าเวลาทําบุญก็ยิ้มอ้าวต่อ น, นี้ไปแล้วก็จะยิ้มว่างล ะ, ะแล้วก็เอวังก็ไมี<ต>ด้วยปาาวลากาละชานีถ้าคนดีนะทนําบุญว้าเขารู้เขารู้ทำบุญด้วยความยิ้มนะจําไว้นะเดี๋ยววันนี้ลองกันเลย ใครจะเหือกใหญ่กว่ากัน <c oughs> อ, อ้าวต่อในไฟ